ทผู้ ช, ชมคะแล้วได้เวลาที่เราจะมาสมทนาธรรมในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์คือปิตโสธิปโลวัฒนาปาพงลำลูกกาคลองสิทธิ์กันแล้วค่ะเรามานมัส ก, การท่านพร้อมๆกันเลยนะคะ วันนี้เรื่องที่จะกลับเรียนถามท่าจอาจารยคริสต์เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนและกรรมค่ะท่านอาจารย์คะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องคนกับกรรมเนี่ยคะ่ะเนื่อจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนกับเป็นการสนธนาธรรมแต่ว่าชื่อนั้นชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะ ก็เลยเกิดมีคำถามสําหรับบางคนว่าก็ทําไมไม่ตั้งชื่อช่วงสนทนาธรรมไปซะเลยหรือว่าเห็นเวลาพระสนทนาธรรมกันเนี่ยมักจะใช้คําว่าปุจฉาวิสัชนาะอต่างกันยังไงเหมือนกันยังไงคะท่านคะเราปุจชาวิสัชนาหรือสนทนาธรรมกันเนี่ยประเด็นที่ต่างกันในปัจจุบันเนี่ยก็คื อ, อสมณะ ครามทั่วไปหรือว่าพิสูจนทั่วไปในปัจจุบันนี้ไม่ได้สนทนากันในคำของพระศาสดาไปสนทนาธรรมกันในคำของสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งาสาวกกลุ่มนี้พระเจ้าจะเรียกว่าพวกอุกกาจิวินีตาปริษาโนปฏิปุจฉาวินีตาคือบริษัทที่ ไปสนใจใส่ใจถกกันในคำของสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ไม่ได้ถกกันในคำของพระศาสดาเพราะฉะนั้นที่เรามาถกกันนี้เรามาถกกันในคำของพระศาสดา <Okay. S 1> ซึ่งพระองค์บอกจะเป็นบริษัทที่เลอที่เรียกว่าปฏิปุตรชาวินีตาผริสาโนอุกาจิตวินีตาโนนะอ่ะคือไม่โ น, โนอุ ก, กาจิตก็คือไม่ใช้คำของสาวกหรือไม่ใช้คาที่คนแต่งขึ้นใหม่ แต่มาคุยกันในคําพระศาสดานั้นในระหว่างการปฏิบูชากันเนี่ยจะไม่มีคําของสาวก ค, คนไหนแต่เราจะพูดว่าผู้เจ้าพูดว่าอย่างไรผู้เจ้าพูดอย่างนี้สงสัยมาอย่างนี้นะมีคําตอบไหมโดยคำํำผู้เจ้าอีกเหมือนกันไม่ใช่ไปหาคําตอบจากสาวกมาพูดน ะ, ะงั้นก็เท่ากับว่ า, างนะ <c oughs> เท่าเท่ากับว่าในการที่ปฏิปุตรฉาท่านท่านช่วยพูดคำยาวๆสมบูรณ์อีกคำาเพราะคิดว่าท่านฟังคงอยากฟังนะคะไพเราะด้วยแล้วก็น่าสนใจด้วยค่ะคือบริษัทที่เลิกที่ใช้แต่คำพระศาสดาเนี่ยจะเรียกว่าปฏิปุจรฉ า, าวินีตาปาลิษาอ่าโนอุกาจิตวินีตาอ่า ปฏิปุชามัคือปฏิปุชาวินีตาปริสาค่ะโนโอุกาจิตวินีตาไปตั้งชื่อคนได้หลายชื่อเลยนะคะเนี่ยปฏิปุจชาวินีตาปริสานโนโอุกาจิตวินีตาแปลว่าแปลว่าบริษัทที่ใช้แต่คําตถาคตเท่านั้นค่ะในการถกกันคุยกันเนี่ยเราไม่ใช่คำคนอื่นเลยใช้แต่คําพระพุทธเจ้าและเธอจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดค่ะ ก็เท่ากับว่าเป็นเหตุผลว่าทําไมรายการนี้จึงต้องใช้ว่าพุทธวจนะใช้ว่าพุทธวจนะแล้วก็ใช้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเพราะพระพุทธเจ้าบอกอีกเช่นกันว่าถ้าเธอใช้คําของสาวกหรือคําที่แต่งใหม่เธอไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ต้องใช้คําตถาคตท่านคะทีนี้บางคนก็จะบอกว่า เวลาฟังการสนทนาธรรมในลักษณะอื่น mm hmm. ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้าท่าดีนะคะ uh huh. แบบ ว, ว่าจะตอบจะจะทราบได้ยังไงว่าไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดเอาไว้ได้ mm hmm. ค่ะก็หลักธรรมต่างๆที่ที่ใช้กันอยู่เนี่ยเราคิดว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดได้จริงหรือเปล่าล่ะ พวกปริภาชกทั้งหลายเขาก็บอกว่าเขาเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เขาก็มีนิพพานของเขามีความหลุดพ้นของเขาทุกคนมีหมดเล ย, เยใช่ไหมแล้วตกลงแล้วใครใครเปิดธรรมที่ถูกปิดได้จริงๆก็คือเรามั่นใจในพระพุทธเจ้ามั่นใจในพระศาสดาของเราะศาสดาของเรานั้นเป็นผู้เลิศตรงนี้ะนั้นภายใต้ความมั่นใจตรงนี้ก็จะทําให้เห็นว่ า, เ, าเวลาสนทนาธรรมกันเนี่ย เวลาคุยกันไปบางทีมันไม่ลงตัวเข้ากันไม่ได้นะแล้วจะไปหาคำตอบจากใครคไปหาคำตอบจากเจ้าลัทธิอื่นไห ม, มหรือว่าเทวดาพรหมหรือว่ามนุษย์คนไหนก็ต้องหาคาตอบจากพระาศาสดาในครั้งพุทธการเขาก็เหมือนกันพระาาระหันถกกันไม่ลงตัวเขาก็ยกทีมไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอบอย่างไรทุกคนก็จะจบที่พระพุทธเจ้าเจ่มั้ย ไม่ได้ยกทีมไปถามคนนั้นคนนี้น ะ, ะแม้จะยกทีมกันไปถามพระมหากัจจานะซึ่งพระมหากัจจานะเป็นพระล้าหลันและเป็นเอตะทักษะในด้านการขยายคำพูเจ้า <Okay. S 1> พระมหากัจจานะก็ยังออกตัวว่าพวกท่านเนี่ยมาหาคนผิดและ mm hmm. เปรียบเหมือนคนแสวงหาแก่นไม้มองเลยข้ามแก่นไม้ไปหาเปลือกหากัะพีหากิ่งอ่อนใบอ่อน ท่านมองตัวท่านเองเนี่ยเป็นเปลือกเป็นกระพี้นะี่ภิกษุก็บอกว่าเห็นพระศาสดาชมท่านก็เลยมาหาอพระมหากัจจานะก็เลยบอกไปบอกเสร็จแล้วก็ไม่กล้ารับรองคําพูดตัวเองนะบอกว่าถ้าท่านหวังความสุกต้องเนี่ยให้ไปถามพระศาสดานะนแะให้ไปหาแก่นไม้นะ่อย่างนี้เห็นน ะ, ะไม่มีใครกล้ารับรองคําพูดตัวเองหรอกเดิมอันนั้นเป็นในยุคพุทธกาลเลยถ้าเป็นสาวกของพระพุทธองค์เนี่ย ก็จะมีความรู้สึกว่าต้องคาพูดพระพุทธเจ้าแล้วยุคนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะแต่ยุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วค่ะท่านคะแล้วอะไรที่หลงเหลือจากพระศาสดาล่ะทําวินัยไงนะสิ่งที่หลงเหลือจากอนเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ทฤษฎีที่เขาเขียนมาใช่ไหมจากนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วก็หลงเหลือทฤษฎีที่เขาเขียนเอาไว้ผู้เจ้าก็เหมือนกันผู้เจ้าก็บอกอานนท์ ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเรานี่แหละสิ่งที่หลงเหลือและพระเจ้าก็ให้เอาสิ่งที่หลงเหลือคือธรรมวินัยที่หลุดจากปากท่านเนี่ยเป็นศาสดาแทนต่อไปและยังวางหลักการหลักมหาประเทศไปด้วยว่าถ้าพระพูดแล้วเนี่ยนะไม่ตรงกันหรือไม่เหมือนกันหรือไม่แน่ใจเนี่ยอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านคําเขา จำให้ดีนะเขาพูดอะไระแล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตน ะ, ะไม่ได้เอาไปตรวจสอบในหลักธรรมวินัยของใครเลยค่ะนะอย่างนี้คือหมือนกับว่าพระพุทธรูปนี้ก็ทรงให้พวกเราใช้เหตุผลกันเต็มที่ตรวจสอบกันให้เต็มที่ค่อยชื่อนะฮ ะ, ะแต่ว่า<ช>ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องใช่จากคําของตถาคตถ้าสมมติว่าในการตรวจสอบให้เกิดห <c oughs> ลงทางนะคะเราก็ไม่รู้ว่าของใครเป็นของใคร แล้วมีความต่างกันไหมคะว่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าตรวจสอบแล้วแบบเนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า แ, แน่แต่เป็ น, น, <อ>นลักษณะเนี้ยถึง<น>จะของพระพุทธเจ้าเพราะคําพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้ในเมื่อคนสองคนนี้มีความขัดแย้งกันในธรรมะมันต้องมีคนหนึ่งผิดคนหนึ่งคนหนึ่งถูกใช่ไหมหรืออาจจะผิดทั้งคู่ก็ได้นะก็เอามาตรวจกับคำพระศาสดา ผู้เจ้าบอกว่าถ้าคําของใครตรงกับคำพระศาสดาอันนั้นคนนั้นจํามาถูกคําของใครไม่ตรงชื่อว่าจำมาผิดคซึ่งพระผู้เจ้าบอกว่าคำผู้เจ้าเนี่ยไม่มีการขัดแย้งพระผู้เจ้าเทศนาตั้งแต่ลาตรีตัสุรุถึงปุรินพานเนี่ยไม่มีทางขัดแย้งกันถ้าพระผู้เจ้าพูดคําขัดแย้งกันเองสิเราจะเอามาตรวจไม่ได้อืค่ะเกิดยมไปจําคําพูดขัดแย้งของผู้เจ้ามุมหนึ่งยมไปจําคําพูดของผู้เจ้าที่ขัดแย้งอีกมุมหนึ่ง ต่างคนต่างว่าเป็นคํำผู้เจ้าทั้งคู่แล้วเอามาปุ๊บมันขัดแยง้งซึ่งต่างยืนยันว่าเป็นคํำผู้เจ้านั่นแหละแสดงว่าผู้เจ้าไม่เก่งจริงแต่ผู้เจ้าสามารถทําคําไม่ขัดแยง้งเพราะฉะนั้นความขัดแย้งในศาสนาพุทธมีไม่ได้เนี่ยค่ะก็ไปสอดคล้องกับเอ๊ะดิฉันไม่แน่ใจว่าจําถูกหรือเปล่าเหมือนกับจะมีบทที่พระพุทธองค์ตรัสถึงคุณสมบัติของธรรมของพระพุทธองค์หรือเปล่าคะว่าทนต่อการเพ่งพิสูจน อันนี้ถือว่าจัดว่าเข้าข้อนั้นไหมคะทนต่อการเพ่งวิสูจน์ในเรื่องของความไม่ขัดแย้งก็ไ ด, ได้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยค่ะก็คงจะทำให้ท่านได้เข้าใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมก็ไม่พูดภาษาง่ายๆสนธนาธรรมกันก็จบแล้วหรือปุจฉาวิสัชนาซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ชาวพุทธจะเข้าใจเพราะว่าใช้กันมากก็เป็นปุจฉาวิสัชนาแต่ว่าลึกซึ้งกว่าโดยนาเอา คำของพระพุทธองค์ชมาตอบคำถามค่ะเกริ่นมายาวเลยมาถึงคำถามนะคะที่ฉันบอกว่าจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องคนกับเรื่องกร ร, รมก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะว่าคนเนี่ยเกิดมาแล้วค่อยมามีกรรมทีหลังหรือว่าเกิดมาแล้วเกิดมาพร้อมๆกรรมเลย<อ>คากล่ า, าวไหนถูกก็ได้คะ <ing> เออมันถูกทั้งหมดเ <ucc zek> นี่ยมาดูคาพระเจ้าดีกว่าค่ะ <c oughs> พระเจ้าบอกว่ากายนี้นะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้นะกายเนี้ยคือกรรมเก่าเห็นไหมกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยแปลว่าเหตุมันมีเหตุปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทาให้เกิดความรู้สึกขึ้นนะเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ 3ลักษณะนะัน้นกายเนี้ยคือกรรมเก่าแล้วถ้าโยมไปดูอีกอันหนึ่งที่ผู้เจ้าตรัสว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรม <คะ S 1> ก็กายนี้มีตาหูจมูกลิน้นไหมละ่<ค>ะมีอายยจตนะภายในที่จะสามารถรับรู้สัมผัสกับอายยจตนะภายนอกได้เพราะนั้นกรรมก็สามารถเกิดได้ในปัจจุบันนี้อีกและตัวก้อนกายเองก็เป็นกรรมเก่าอีก และก็ก้อนกายนี้ที่เป็นกรรมเก่าสามารถสร้างกรรมใหม่ขึ้นได้อีกนี่ก็ถูกทั้งหมดเลยก็แนะปลว่าคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีกรรมอย่างเดียวมีกรรมเป็นมรดกติดตัวไป ใ, ใช่ไหมครับ uh huh. เป็นทรัพย์ติดตัวมาเลยเป็นทรัพย์ติดตัวมาเลยกายนี้คือกรรมเก่าคือคาอธิบายนี่เป็นคำพระพุทธองค์ใ ช, ใช่ไหมครับกายนี้คือกรรมเก่าแล้วท่านอาจารย์ยังได้บอกว่าเกิดพระเหตุปรุง เหตุปัจจัยปรุงแต่งกับอีกอันหนึ่งก็คือกรรมที่มันเกิดจากภัสสะใหม่เป็นยังไงคะท่านคะที่ว่ากรรมมันเกิดจากผัสสะใหม่แล้วเป็นอย่างไรที่ว่ากรรมเก่าที่มันติดกับเรามันมีส่วนไหนที่เป็นกรรมเก่าส่วนไหนในกายของเราเนี่ยที่มันส่วนไหนในความเป็นคนของเราที่เป็นกรรมเก่าส่วนไหนที่เป็นกรรมใหม่ก็ก้อนกายทั้งก้อนเนี่ยพระเจ้าก็บอกแล้วก้อนกายทั้งก้อนเนี่ยมันคือกรรมเก่าอ๋อค่ะแต่กรรมใหม่คือผัสสะ ถ้าจ๊ะคะพอพูดถึงก้อนไก่ทั้งก้อนเป็นกรรมเก่าเนี่ยอคนเราเกิดมาพอเกิดมันก้อนเล็กๆนะคะพอเวลามันผ่านไปก้อนมันเริ่มโตขึ้น่ะแล้วจะว่ามันกรรมเก่ากรรมมันโตขึ้นเหรอคะมันมาแต่ก้อนมันก็ก้อนเดียวกันมันไม่ได้ก้อนใหม่นี่มันก็จากก้อนเดิมพัฒนากรรมเก่าเราพัฒนามาทุกไม่ว่าจะเป็นกายตอนอายุขวบเดียวสิบขวบ ยี่สิบขวบ uh huh. ได้ไปจนถึงแก่จนตายเนี่ย uh huh. ระหว่างนั้นเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าทั้งหมดอ uh huh. กรรมเท่าเดิมด้วยไหมคะหรือว่ากรรมเก่ามันเริ่มโตขยายตามความโตของตัวอันนี้ที่ฉันกราบเรียนถามจริงๆนะครับก็มะม่วงดิบกับมะม่วงสุกกับมะม่วงลูกเดียวกันไหมล่ะมันก็ลูกเดียวกันอนะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวคือความเป็นอ น, นิจจังใช่ไหมมันคือคือก้อนกายอ น, นั้นเพราะก้อนกายโยไม่ได้เป็นนิจจังนี่ค่ะ ไม่ใช่ตัวเล็กแลมันเล็กอย่างเดิมมันมีพัฒนามาเรื่อยใช่ไหมค่ะแต่มันก็ดินน้ําไฟนวลมันเดิมก็สรุปแล้วคือว่าไม่ต้องไปสงสัยว่าเป็นก้อนตอนอายุเท่าไหร่อนะคะก้อนตอนอายุเท่าไหร่มันก็ไอ้ก้อนเดิมนั่นแหละคือเป็นก้อนของกรรมและเป็นก้อนของกรรมเก่าใช่ค่ะทีนี้กรรมใหม่ท่นคะกรรมใหม่คือตัวภาษะใหม่ภาษาในปัจจุบันเนี่ยคือกรรมใหม่เช่นก็ตาเห็นรูป ปั๊บเกิดความพอใจไม่พอใจนกรรมใหม่โยมได้ยินคนมานินทายโยมใช่ไได้ยินเสียงแล้วเดินปลาดเข้าไปนี่สักทีหนึ่งเนี่ยกรรมใหม่เกิดแล้วเขาไม่พอใจชักปืนยิงป้งตายเนี่ยกรรมใหม่ะน ะ, ะภาษาคุมภาษาไม่ได้นะก็เลยทำให้สร้างกรรมใหม่ต่อไปนี่ ภาษาเนี่ยถ้าจะให้กล่าวให้โดยละเอียดน่นะท่านคะประกอบไปด้วยผัษประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะภาษะจะมีสามองค์ประกอบเสมอภาษาทางตาจะต้องมีหนึ่งมีลูกตามีลูกและมีวิญญาณทางตาภาษาทางหูจะต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูนะภาษาทางจมูกจะต้องมีจมูกมีกลิ่น มีวิญญาณทางจมูกนี่คือสามองค์ประกอบทุกภาษะจะมีสามองค์ประกอบเสมอเราถ่ายภาษาได้ไหมเราหนีภาษะได้ไหมภาษาได้ไห ม, ก, ไไหมก็ในเมื่อภาษามันเป็นตัวเราอยู่เ <c oughs> นี่มันม <c oughs> ันจะไปหนียังไงนะเพื <c oughs> อ่อ <c oughs> ทําความเข้าใจกับมันได้กระจายภาษาออกได้ <c oughs> ทําความเข้าใจกับภาษะจนเห็นว่าภาษะไม่ใช่เรา <c oughs> อันเนี้ย ค่ะนี่เรากำลังพูดถึง เ, เรื่ยเป็นการเป็นการหนีด้วยปัญญาค่ะเรื่องกรรมอีกส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ถ้านอาจารย์ก็เราจะบอกว่ากรรมเก่าเนี่ยมีมาแล้วกรรมเก่านะี่มั น, ม, นะ ม, นมันก็เหมือนกับเราสู้อลไรไม่ได้เลยสิคะ uh huh. แก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันเกิดมาโดยธรรมชาติใช่ใชเป็นผลจากอดีตที่ผ่านมาใช่ทีนี้พอมาถึงกรรมใหม่กรรมใหม่ก็หมายความว่าเป็นของที่เราสร้างเองหรือคนอื่นสร้างให้คะ่ะอย่างก ร, รณีท่านยกตัวอย่างบอกว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเราได้ยินเสียงคนอื่นเนี่ยอันนั้นเป็นกรรมที่เราสร้างผัสสะที่เราไปได้ยินหรือว่าเป็นเพราะ คนอื่นเขาเอาเสียงมาให้เราได้ยินค่ะภาษาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากสลายยนะสลายนะก็คืออายุยานะภายในกับภายนอกสองอย่าง อ, อ, อาอุยนานะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายุยานะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วถามว่ามันเป็นของใครไม่มีของใคร เออมันไม่มีของใครเสียงเป็นของใครเสียงไม่มีของใครกลิ่นเป็นของใครกลิ่นไม่มีของใครมันเป็นธรรมชาติค่ะแล้วจริงๆจมูกหูลิ้นตาก็ไม่ใช่ของใครเราไปสมมุติเองว่ามันของเรา ะ, ะดังนั้นกำใหม่จึงหมายถึงการที่กระทบกันนะฮะนะคะกับสิ่งที่มันเป็นทั้งของเราแล้วก็ปัจจัยภายนอก Uh huh. ถ้าของเราเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ uh huh. uh huh. ภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส uh huh. นะคะแล้วต้องมีวิญญาณเข้าไปรับรู้เข้าไปรับรู้ถึงจะเกิดขึ้นเป็นกรรมได้สําเร็จเ uh huh. ช่นถ้าตาไปมองเห็นรูป uh huh. นะคะต้องมีวิญญาณไปรู้ว่าได้มองเห็นแล้ว uh huh. จึงจะถือว่า เกิดผัสสะครบสมบูรณ์และผัสสะนั้นคือกรรมหม่อย่างนี้ดิฉันพูดถูกไหมคะใช่ใะคะเช่นเดียวกันหูจ ม, มูกลิ้นกายใจท่านผู้ชมก็ลองนึกนะคะเพราะว่ามันเป็นของเราเนเราสัมผัสทั้งวันเลยถ้าจะว่าไปในแต่ละวันแต่ละวันของมนุษย์แต่ละคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะผัสสะอะไรมากที่สุดกระท่านคะใช้ผัสสะอะไรมากเกิดผัสสะอะไรมากที่สุดมีบัญญัติไว้ไหมะคะอืม ภาษาอะไรมากที่สุดภาษาถ้าเปรียบเทียบเี่ผู้เจ้าจะเปรียบเทียบแค่ภาษาทาง อ, าอาดีตกับอนาคตผู้เจ้าบอกว่าสัมผัสทางอาดีตเนี่ยจะมากกว่าคือความจำได้ไหมายรู้จะมากกว่าการที่ปรุงแต่งไปในอนาคตนอกกนั้นไม่มีเปรียบเทียบเพราะมันอนิจจังคงเปรียบเทียบไม่ได้ เพราวิญญาณเนี่ยมันไปรู้ทุกช่องทางอยู่ตลอดเวลาค่ะเพียงแต่ว่าก็เลยทําให้เราได้ความรู้ใหม่อีกว่าผัสสะของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสองอย่างอดีตกับอนาคตแต่คนเรามักจะไปอดีตมากกว่าอดีตมากกว่านะคะอันนี้ลองถามตัวเรามันคิดมาโหยิ่งแก่ขึ้ยิ่งคิดอดีตมากนะคะแต่ว่ <laughs> ายิ่งอายุมากยิ่งมีภัสสะเยอะ Uh huh. ค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เราทําความเข้าใจคร่าวๆดิฉันควรจะทําความเข้าใจอะไรเพิ่มไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมใหม่คะท่านคะก็คือต้องทําความเข้าใจว่ากรรมไม่ใช่ของใครค่ะไม่ไม่ใช่ใครบันดาลหรือเราบรรดาลหรือไม่ใช่ของเราหรือของใครทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของอายตนะภายในนั้น uh huh. คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ว อาจจะเป็นผู้พาเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออายตนะภายในไปผัดสะไปสัมผัสกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่บอกแหละค่ะว่าเราเป็นคนสร้างกรรมพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่เราถ้าพูดอย่างนี้ผิดทันทีอ่าพูดอย่างนั้นมันจะที น, นี้มันมีคํากล่าวค่ะท่านคะบางคนก็ชอบบอกว่าเนี่ยกรรมเนี่ย กรรมนี่ถ้าแปลเป็นภาษาธรรมดาก็เป็นผลของการกระทำก็เหมือนกับเราทำเองไม่มีใครสร้างหรอกพู้นี้ผิดเลยทันทีก็ถูกภายใต้อวิชาเพราะว่าภายใต้อวิชาเนี่ยทุกคนจะคิดว่านี่เป็นเราแล้วก็เลยบอกว่าเราทำกรรมแต่ถ้าจะให้หลุดจากอวิชาหลุดจากระบบสังสารวัตต้องเห็นว่าไม่มีใครทำอะไระมีแต่ระบบของธรรมชาติที่กระทบกันแล้วก็ไหลไปตามเหตุปัจจัย อ่ก็ใช่ก็คือกฎอิทัิปยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อไม่มีค่ะอย่างเนี้ยทีนี้ท่านบอกว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่เราเป็นผู้ทำแต่บางคนก็บอกว่าต้องไปรับกรรมแทนคนอื่นอืคนอื่นทําให้เราได้ไหมคะกรรมเนี่ยค่ะคนอื่นทําให้เราได้ไหอทําได้แต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเราอี เช่นเราไประลึกถึงผลที่สุดมันก็ต้องมาอยู่ที่ที่ภาษะนั้นนะ่ะนั้นตอนเนี้ยเราพูดระบบของกรรมเนี่ยเราจะพูดภายใต้อวิชชาคือความเป็นเรามันจะมีเรามีเขามีอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนี้น ะ, ะเราไม่ได้พูดในเรื่องที่เหนือกรรมนั้นถ้ายมกาลังพูดในสิ่งที่เหนือกรรมคือพ้นจากกรรมหลุดจากกรรมได้ความเป็นเราจะไม่มีเพราะนั้นคนถามพระเจ้าว่า ใครเป็นคนสัมผัสใครเป็นคนรู้สึกใครเป็นคนอยากใครเป็นคนยึดพระเจ้าบอกไม่มีผิดมาตั้งแต่คําถา ม, มนนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของก้อนกายนี้ไงพระเจ้าจะบอกกายนี้ไม่ใช่ของเธอและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นในเมื่อธรรมะชั้นลึกเนี่ยเพื่อจะหลุดออกจากโลกออกจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ต้องมองว่ากายเนี้ยไม่ใช่ของใครอ๋อคือหมายถึงว่าถ้าจะถามว่ากรรมเนี่ย มีอยู่ตรงไหนเนี่ยมีอยู่กับตัวเลยมัีอยู่กับตัวเลยใช่แล้วมันก็สร้างใหม่ได้ด้วยตัวด้วยใชเป็นกรรมใหม่แต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธองค์ต้องพูดสิ่งที่เหนือกรรมใช่เพราะเราต้องการจะหลุดจากกายนี้เพราะกายนี้มันเป็นของแก่เจ็บตายค่ะทีนี้ไม่งั้นเราต้องตายไปกับกายนี้ค่ะทีนี้เราจึงควรควรเรียนรู้ ให้มากที่สุดอย่างไรคะที่จะทำให้สามัญสำนึกของมนุษย์ธรมธรมดาๆที่ยังเข้าใจในเรื่องกรรมอยู่เนี่ยได้เกิดความหลุดพ้นจากเรื่องของกรรมนี้ได้นะคะแกยังไงคะก็คือละความเพลินนี่แหล ะ, ะ, ะเวลาตาไปรับรู้หูไปรับรู้จมูกลิ้นกายใจทุกอายนะเนี่ยกรรมมันเริ่มเกิดแล้วเห็นหม ผู้เจ้าก็บอกให้ลากความเพลินนะลากความเพลินเรื่อยๆจิตหลุดพ้นได้เลยนั้นเราไปมองอะไรนานๆฟังเพลงนานๆนะเราใช้อายตนะใดนานๆนะเริ่มเริ่มที่เรียกว่าเพลินล ะ, นะะก็ให้ลากความเพลินนั้นมาพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากก็คือว่าแบบวิธีที่เราจะไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาก็คือ เราต้องละความเพลินเมื่อเราพบกับผัสสะมากระทบกับอายตนะเนี่ยภายในเมื่อภายนอกกระทบภายในเราต้องละความเพลินเพื่อที่จะไม่สร้างกรรมใหม่หรือเมื่อกรรมใหม่ถูกสร้างขึ้นแล้วด้วยผัสสะทุกช่องทางให้เราใช้ปัญญากระจายผัสสะออกนะผัสสะทุกครั้งที่กระทบปั๊ดเนี่ยให้พี่นาว่า ตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงวิญญาณต่างๆไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงวิญญาณทางหูก็ไม่เที่ยงแปเ่เปลี่ยนได้หมดหรือเราหรือเราพิจารณาว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน <c oughs> ได้ได้ทั้งสองย่างได้ก็คือทิ้งภาษานั้นเลยทันทีเมือ่อภาษาแล้วก็จะเหมือนกับรกักความเพลินแต่พูดคนลมุมกันนั้นเองคำว่ารักความเพลินคือการที่เราไม่ อย่างเช่นมองเห็นเราไม่ไปสร้างจักกุวิญญาณแรือเปล่าคะเราเราไม่เอาไม่เอาวิญ ญ, ญาณทางตาเนี้ยเข้าไปรับรู้ใช่ใช่หรือรับรู้แ ล, แล้วเราดึงวิญญาณทางตากลับมากลับมาที่ลมลมหายใจใช่พูดถึงว่ากรรมเนี้ยคะ่ะที่ดิฉันกล่าวไปนักแต่ว่าเรื่องของคนงเรื่องของกรรมในเมื่อท่านได้บอกแล้วว่ากรรมมันมีทั้งเก่า ม, มีทั้งใหม่ ถ้ากรรมเนี่ยถ้าจะพูดอีกในหนึ่งกรรมกับความทุกข์นี่มันต่างแล้วมันเหมือนกันยังไงคะท่านคะอือนกันไหมคะก็ในเมื่อภาษาเป็นเหตุเกิดของกรรมภาษะเป็นเหตุเกิดของเวทนาคือสุขทุกข์ด้วยเหมือนกันะนะะคเพราะฉะนั้นภาษาไม่ดีก็เกิดทุกข์ภาษาไม่ดีก็เกิดกรรมไม่ดีนะั้นตัวภาษะเป็นเหตุเกิดทั้งสุขทุกข์ที่เรามีขึ้นนะ่ เป็นเหตุเกิดทั้งกรรมเป็นเหตุเกิดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยสัญญาสังขารเวทนานีเนี่ยเก็จากภาษาทั้งสิ้นค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่ากรรมกับทุกคือเรื่องเดียวกันก็จะว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้คือมีเหตุเกิดมาจากที่เดียวกันคือมีเหตุเกิดมาจากภาษาค่ะแล้วกรรมใหม่ ที่ท่านบอกว่าเกิดผัด ส, สะเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้หนทางที่จะอยู่เหนือกรรมผลไม่จะเกิดอะไรครับนเราก็ต้องอยู่กับกรรมนั้นต่อไปต่อไปนานอย่างไรคะที่จบไม่ได้อ๋อเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าดูสิคนตายเนี่ยเขาให้แบมือมันไม่ได้จบตอนที่แบมือนั้นใช่ไหมคะมันยังกรรมอยู่ถึงตายไปแล้วธรรมด า, าก็ไม่เกี่ยกับแบมือกรรมเพราะเพราะว่าหมายความว่าการตายไม่ได้ทําให้การ ให้ภาษะใหม่กรรมใหม่สิ้นสุดไมไม่หมดก็แปลว่ามันก็จะกลายไปเป็นกรรมเก่าของพบใหม่ในนู้นเลยนะ่ะเมื่อตายแล้วเนี่ยเรายังมีความยึดมั่นในอายตนะไมล่ะค่ะยังมีความยึดมั่นในวิญญาณค่ะมีความยึดมั่นในสัญญาสังขารเวทนาค่ะวิญญาณก็จะไปสร้างอัตภาพใหม่ค่ะวิญญาณเนี่ยสร้างสร้างอัตภาพสร้างพบอยู่ตลอดเวลาเลย แต่เมื่อสร้างในส่วนที่เป็นรูปขึ้นมาแล้วรูปนี้มันยังไม่พังไงแต่นามธรรมมันพังเร็วอะ่ะมันก็เป็นความคิดเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับหลอรูปพังไงพอรูปพังเมื่อไหลย่ยปั๊บเนี่ยวิญญาณก็ไปเกาะนามธรรมก็ไปสร้างรูปในนามธรรมใหม่นั่นอีกไอ้รูปใหม่ยังไม่ตายก็เป็นความคิดเกิดดับเกิดดับพอรูปนี้พังปุ๊บวิญญาณก็ไปสร้างนามธรรมใหม่นามธรรมใหม่ไปสร้างรูปธรรมใหม่ออกมา ลออรูปธรรมนี่ตายไปอีกนะอีกร้อปีก็ไปคิดระหว่างคิดๆก็เกิดเกิดเกิดเกิดดับเกิดดับตลอดเนี่ยเนี่ยสังสารวัตรนามก็ไปสร้างรูปรูปก็ไปสร้างดามก็ไปสร้างรูปถูกต้องแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนหน้านี้ถ้าอาจารย์ได้พูดถึงการที่คนเราบางคนก็มีความรู้สึกมีความทุกข์และเข้าใจแล้วว่ากรรมมันคืออะไรถึงแม้ว่าจะเข้าใจไม่ได้ละเอียดแบบนี้ยังเข้าใจแล้วว่ากรรมมันเป็นความทุกข์ ไม่อยากได้แล้วท่านชี้ทางแก้ไปก่อนจะจบรายการในวันนี้เนี่ยขออีกสักครั้งได้ไหยคะสําหรับการแก้กรรมโดยเฉพาะถ้าแก้แล้วมันเห็นทันตาในปัจจุบันนี้เลยด้วยค่ะท่านอ๋อถ้าให้เห็นทันตาในปัจจุบันคือการทําสมาธิค่ะทำสมาธิ8ระดับเจ้าบอกเป็นกรรมที่จะส่งผลในทิศธรรมคือในปัจจุบันนี้ค่ะนั้นโยมไม่ต้องไปกังวลอดีตจะทํากรรมอะไรมาก็ตามปัจจุบันนี้ถ้าโยมทําสมาธิ ตรงนี้จะส่งผลก่อนนะและถ้าโยมสามารถทําสมาธิแล้วเห็นการเกียดับโยมเป็นอะไรบุคคลคือหลุดพ้นจากกรรมได้ทั้งหมดแต่ถ้ายังไม่เป็นอะไรบุคคลสิ่งใดที่เราปรารถนาจะส่งผลในปัจจุบันนี้ก่อนค่ะทีนี้ท่านพูดตั้งแต่ระดับก็เอาระดับต้นก่อนก็ได้เอาระดับต้นคือปฐมฌานค่ะคือเริ่มต้นใช่เริ่ม ทำอย่างไรคะเหมือนกับที่ทําตอนต้นรายการนั้นพอไหมคะพอเพียงพอแล้วแค่นั่งรู้ลมหายใจจิตไม่คิดอกุศลก็ได้ประตูมชานแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้วิชาแก้กรรมเป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่าถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้เนี่ยมันเข้าใจเองยากยากยากแก้กรรมเป็นเรื่องยาก แ ต, แต่สนุกมีแง่มุมมากกว่า น, นี้ใช่ไหมคะสามารถท<ช>ี่จะเรียนรู้ต่อไปได้ด้วยโอ้เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่แง่มุมเยอะมากแง่ ม, ม, นะมุมเยอะค่ะถ้าต้องการที่จะทราบแง่มุมเพิ่มเติมมากขึ้นติดตามชมรายการนี้นะคะจะต้องมีการวนกลับมาได้สมทนากันในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้ท่านได้ฟังกันอีกแน่นอนก่อนที่จะจากกนันในวันนี้ก็จะข อ, อกระช้าอาจารย์นะคะที่จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังอีกค่ะซึ่ง เรื่องที่ท่าอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของความเพลินนะคะว่าการละความเพลินก็จะเป็นเหตุให้ความทุกข์ของเรานั้นหมดไปดังนั้นดิฉันจึงเลือกเลือกพุททวจะนะบทนี้นะคะที่จะมาอ่านให้ท่านได้ฟังกันในตอนช่วงท้ายของรายการวันนี้พระพุทธอง์ตรัสว่าความเพลินใดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเพลินนั้นเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกปริเทวะทุกขะโทมนัตและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และนี่ก็คือหนึ่งใน พุทธว จ, จะนะที่อยู่ในหนังสือชุดปฐมธรรมเล่ม น, นี้ค่ะก็ยังเป็นหนังสือที่หาได้ยากท่านไม่ได้ส่งไปวางขายที่ไหนหรอคะก็แล้วแต่ร้านที่เขาสนใจไปวางขายเขามาเอานะแล้วขอกลิ่นค่ะ <c oughs> และ้วก็ทำแจกไปเฉยเยขณะนี้ก็แจกที่นี่นะคะก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องบอกว่า ถ้าใครสนใจอยากได้ยังมีช่องทางมไม่มากนะักแล้วก็ยังไม่ใช่เรื่องของการซื้อหาอและในขณะเดียวกันดิฉันเชื่อว่าของดีๆแบบเนี้ยถ้าใครสนใจอยากที่จะช่วยสร้างให้ธรรมะมีคุณค่า ย, ยัางไงนะคะท่านก็ช่วยให้ <c oughs> ผิดคนหลุดพ้นจากอาสวะได้นะตนเองก็ได้ ได้อันนีส้สงได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยค่ะถ้าเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของการให้ธรรมะกับการทำทานอย่างอื่นนี่มีมากน้อยอย่างไรคะก็ะให้ธรรมะนี้ชนะการให้ทั้งปวงทู่จเจ้าก็ว่าเลิ่นที่สุดดีที่สุดค่ะดังนั้นเนี่ย ก็ขอให้พวกเรานะคะมีโอกาสที่จะให้ธรรมะกันในลักษณะไหนก็ให้นะคะบางคนเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยถ่ายทอดด้วยคำพูดก็ได้ประโยชน์แล้วนะคะวันนี้เราก็คงจะต้องมาในมรดการขอบพระคุณท่านอาจารย์คริคสติพัโลกันในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะของวันนี้กันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาว ว, วรรณวลีเ น, นธควานะคะอยู่มหาวิทยายลาัยรังสิตคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะครั้งแรกที่ได้มาที่นี่นะคะก็เพราะว่าฟังธรรมของพระอาจารย์จากรายการทูนโชวค่ะแล้วก็สนใจเพราะว่าสนใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ออกมาจากพระโอษณะนะคะก็หลังจากที่ได้ศึกษา มาระยะหนึ่งก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะคะ่ะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอะไรที่เรียนรู้ได้ง่ายใช้ได้จริงอะคะ่ะก็หลังจากที่มาทำบุญในวันนี้นะคะก็ทำให้ได้รู้ว่า จริงๆแล้วว่าสามารถเข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายวัยรุ่นอย่างพวกเราก็สามารถที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ะค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดได้รับอะไรจากหลังจากที่ศึกษาครับหลังจากที่ได้ศึกษานะคะก็ทําให้จิตใจสงบมากขึ้นนะคะทำให้ละความโกรธได้เร็วขึ้นแล้วก็ฝึกสมาธิสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีสติมากขึ้นนะคะใช้จากการเรียนได้ไหมทำให้มีสมาธิในการ ฟังอาจารย์บรรยายหรือว่าอ่านหนังสืออะค่ะมากขึ้นตอนสุดท้ายฝากค่ะก็อยากจะให้บรรดาพุทธศาสนิ ก, กชนทุกคนนะคะหันมาสนใจพุทธศาสนามากขึ้นโดยการศึกษาจากพุทธวจนะโดยตรงอะคะ่ะก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยากไม่ต้องศึกษาจากคําบาลีมันจะต้องแปลหรืออะไรอย่างเงี้ยยากมากกว่า ท่านผู้ชมคะความรู้ในวันนี้ที่ท่านได้ไปจากพ่าอาจารย์คือคริสโสธิพโลในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับกรรมดิฉันเชื่อว่าคงจะทําให้พวกเรานั้นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถึงเรื่องระบบของกรรมตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะทําให้เรา n ั้นได้รู้วิธีนะคะที่จะดําเนินชีวิตอย่างไรให้ชีวิตของเราเป็นปกติสุขหรือถ้าท่านต้องการมากกว่านั้น คือได้ทำตามสิ่งที่พระพุทโ ธ, ธของเราตรัสรู้แล้วก็บอกวิธีที่จะให้เราเดินออกจากทุกทั้งปวงกรรมทั้งปวงก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่ท่านทั้งหลายนะคะจะเห็นคุณค่าและน้อมนำเอาไปปฏิบตัติแต่เรายืนยันเ่าว่าการปฏิบัติตามพุทธวจนะนั้นจะทำให้ชีวิตของท่านพบกับความสวัสดีวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะและติดตามรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันวันพรุ่งนี้เราพบกันพุท ธ, ธ, ธสวสวัสดีค่ะ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 หรือสุญยาคารวัตให้งอกงามกลายเป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสตินะกาลังศรัทธากาลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนานะขอให้มีความภาคเพียรบากบัทมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลาย ก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปราลกความเพียงต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาทาสมรุญมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน